ตั้งสาทุนวัตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอต่อวันก่อนเลยนะไปจบลงตรงไหนกันละ่ะตอนที่ท่านบอกว่าเป็นพระที่หนักเป็นพระที่มีกรรมหนักที่ท่านปลอมตัวคือทำตัวเป็นพระแล้วก็บวชแต่ตัว ใจไม่ได้เป็นพระอันนี้จำไห้ดีในบรรดาญาโยมผู้บริษัทธร่างกายไม่มีความหมายความบริสุทธิ์ในอยู่ที่ใจแล้วก็มัวเมาในลาบยศึงเสื่งมสุขและกรรมสุขมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมันบ้างมีปรกชนาญาณดีบ้างที่เป็นพระอริยเจ้ามาไหว้ท่าน ท่เลยทำใหญ่ในฐานะที่เป็นเจ้าคุณกรรนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านลองเวจีมหานรุวันนี้ไม่วิจาร์เมื่อวานวิจาร์นสพอใจวิจาร์ให้ญาติโยมทั้งหลายว่าคนที่ห่มผ้าเหลืองในพระพุทธศาสนาอา่ินึกว่าดีทุกคน ที่ได้มีความรู้อะไรตัวอะไรดีๆเนี่ยได้ ย, ยำซึก็เยอะที่พบมานแล้วน่าสลุใจอ้ายเด็กอาจจะมาต้องอายเด็กไปด้วยในฐานะที่มีศักดศรีที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคิ่งกันแต่ก็เป็นที่น่าชิ่นดายว่าท่านพู้นั้นทั้งคนดด้านที่ยังดีที่สุดถือตำราฉันบีนเก่ง เป็นบรเิเวณชันนั้นงงท่า น, นนั่เป็นวิญญาชั้นนี้ที่มียศชั้นนั้นยศชันนี้แต่พอเด็กๆ ก, กขาทำโมโนยธิเข้าพิญญาสมาบัติได้กลับทําตนเลวเป็นอสุรกุยใช้าวาจาสามหาวว่าทําไมล่ะไปสวรรค์ได้ทําไมไม่อยู่ที่สวรรค์ไปพรหมได้ทําไมไม่อยู่ที่พรหมลง ม, มาทําไมนีม่วาจาอย่างนี้มันเลวยิ่งกว่าสตรีฉันที่เขาเลี้ยง แล้สุงควรไหมที่จะมีผ้ากาสาวพัดมจิตกายและนอกจากนั้นประธทมคำสอนอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนไว้ป่าฝืนไข้ค้านทำลายก็เป็นการทั้งปวงสุขวิปัสสโกติโชชละพินโยปิสมิทัปโตไม่เคยสนใจไม่รู้เรื่องอะไร ดำน้ำไปทางใดก็ไปทางใดทางหนึ่งไม่ยอมรับความดีที่องค์สมเด็จตสศมาสมพุทณ์เจ้ามอบให้เอละใครจะนัดถือใครก็ช่างนี่เล่าให้ฟังคุยกันต่อไปอันนี้ีข้อหนึ่งที่ช่วยให้ท่านลงเวจี G, ถ้อยนั้นนะเมื่อได้เรื่องแล้วก็ดีใจมากลาคุณลงกลับท่านยายคุณก็ลงนรกไปตามตาแหน่งใหญ่ของท่าน เมื่อคุยอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวของท่านนะเมื่อคุณยายกับก็เอาเรื่องทรัพย์สินของท่านยายคุณเอามาบรรยายบรรยายให้ฟังคุณยายก็ตกใจว่าถามว่าพอเล็กโดตมาได้ยังไงที่เรียนท่าว่าเมื่อคุณยายไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นหมายถึงฝั่งพนักคอนอาตมาอยู่ฝั่งทน ชาวชนบุรีเรียกว่าฝั่งโน้นฝั่งมัธยมคอนเา้าเรียกว่าฝั่งโน้นแต่ไมนั่นจาตะติดชันไปก็ลลำบากมากต้องมีเรือยนหรือว่าเรือดิสารที่บ้านก็ไม่มีเรือยนต้องอาศัยเรือดิสานขนาดเล็กขึ้นไปยายพี่รมพักดีออกก็เป็นเวลาวันหนึ่งแล้วออกไปเกินห้าเที่ยวการที่จะแอบ การที่อาต ม, มาจะแอบไปอ่านป้ายที่ค้านะแอบไปอ่านป้ายดี่เขาประกาศไว้อามาเบ่งกับคุณยายมันก็ไม่มีทางเมื่อคุณยายท่านฟังแล้วท่านจะแปลกใจถามว่าทราบมาได้ยังไงเจียงเรียนท่านว่าก็คุณยายไปเยี่ยมศพท่านยายคุณผมก็ไปเสด็ทางเมืองนรกสิครับพราะท่านยายคุณลงอเวจี ท่านรล้เรียกา่ า, าเล่าความเล่าความประพฤติเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านยายคุณบอกให้ฟังหมดเนี่ยท่านไม่มีอะไรเป็นเครื่องปกปิดบอ่อยทราบทุกอย่างเมื่อพูดจบท่านยายก็เรียกน้าสมใจที่ไปด้วยให้เอากระดาษที่จดทรา์สินต่างๆที่ท่านดินคุณและคณะกรรมการเขียนประกาศไว้นะ เพื่อจดซักสิงของท่านเจ้าคุณที่คณะกรรมาการเขียนประกาศไว้น่าสนใจอ่านให้ฟังให้ด้านฟังเมื่อท่านอ่านแล้วน่าสนใจก็บอกว่าตรงทุกอย่างท่านยายถึงก็เป็นปรทธานว่าไม่น่านเลยพระใหญ่โตทําไมเลวซามอย่างนี้พ้อเล็กไม่เคารพท่านถูกแล้วยายเองซะอีกยังรู้กว่าพ้อเล็ก นี่แหละไอการระบายสีดีๆดำอย่งนี้ทำให้คนดีเขาเสียทรัพย์สินทำให้คนดีเขาเสียความดีที่จะพึนได้พ้ะการไหว้พระนี่มีค่าไม่เท่ากันพระดีอานิี้สงมากพระเลวอานิส่งน้อยทะเลถึงที่สุดเลยไปในรกด้วยกันก็องสอนให้คนปฏิบัติแบบเดียวกันเวลานี้ก็มีเยอะนะมีเยอะ เวลานี้มียอะที่ดึงคนไปในด้านมิจฉาทิฏฐิให้ไปเหมือนกันค้านโดยพุทธพจน์บทพมารีว่าในด้านสุขวิปัสสโกคือพระมรร翰แล้วไม่เห็นอะไรเตหิโชมีชาสามคือระลึกชาติได้มีทิฏจุขยานเจลาฟิโยสนแสดงฤทธิ์ได้ปฏิสมิทาปโตทรงฤทธิ์ได้แล้วมีปัญญาดีมีความฉลาด แนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนาศาสนามีสี่ระบบแต่ว่าแต่ละระบบ ก, ก็มีวิธีปฏิบัติหลายๆลสิบวิธีอันนี้เขามีอยู่แต่ว่ายังมีท่านที่หลับหูหลับตาอาไม้แหลมแทงลูกตาดำเม้องไม่เห็นอะไรถือว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามฉันอันนี้ไม่ถูกต้องตามฉันถึงถูกยังนี้มีอยู่ในบรรดาท่านพุทธบริษัท แต่ก็ยังดีใจที่บรรดาเด็กอนุบาลเด็กชั้นประถมเด็กชั้นมัธยมแก่ปฏิบัติกันได้ดีตามที่ท่านผู้มีพระคุณเป็นพะก็มีเป็นครรวาก็ ม, กมีช่วยกันสั่งสอนค้นคว้ามาแล้วทำได้เวลานี้เันแค่เดือนพฤศจิกายน2521ถึงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคม2522 ปริมาที่ท่านสร้างความดีมีสินห้าเป็นปกติโดยอัตโนมัติเท่าที่ทราบมาที่ไม่ทราบก็ไม่รู้มีจํานวนคนนับแสนแล้วดีใจไหมที่วันนี้ว่าทางบ้านเมืองของเราจะมีคนดีขึ้นถึงกับมีนักเรียนในร้อยจะรอนักเรียนในเรือากาศนักเรียนในเรือนักเรียนตํารวจแนร้อยตารวจนะ มาตั้งใจจะจำนุมตั้งเป็นคณะพุทธศาสนาขึ้นขอให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นกฎบังคับแม่เธอก็จะรวมบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆคัดคนที่มีศรัทธาและก็รวมนัเกเรียนต่างๆชั้นมัธยมคือชั้นมัธยมชันมม้นปฐมนี้ต่อไปเยอะแล้วออก็มีเยอะเวลานี้เป็นหมืน่นพวกนี้ทําตัวได้ดีสามารถรู้สวรรค์รู้นรกรู้พมรรกรู้นิพพาน เขาลืมได้โดยการฝึกจากูบาอาจารย์เขานี่ไม่ใช่ไหมแตามาเป็นอาจารย์ใหญ่นะท่านฝึกกันเยอะหลายสำนักติดนขอชมเชยท่านที่ท่านสนับสนุนพระพุทธศาสนาและพวก น, นี้ก็พาคิดว่าถ้าข้าราชการทุกคนไม่กินเหล้าบ้านเมืองจะเจริญมากกว่านี้อันนี้เป็นความคิดของเด็กแต่ได้ว่าผู้ใหญ่เห็นดีได้ไหมนันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เป็นรัาประเทศไทยเราจะมีความสุขเมื่อเด็กผุ้นี้มีอำนาบริหารประเทศเห็นไหมนี่ที่เขามองดูตามมุมที่เขาก็ได้จะสอนจริงๆนะมีทมนี้ไม่เห็เดาสุมม่มแปลว่าตายแล้วก่อศูนย์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพมลโลกไม่มีไม่สามารถจะมีใครไปได้ก็ถ้าอย่างโง่เง่าเต่าตอนเป็นโงวเป็นควายก็เป็นแต่คนเดียวสิ จะไปชวนนั่นจะบ้านชาวเมืองเขาเป็นควายไว้ด้วยนะมันจะมีประโยชน์อะไรควายเนี่ยมันดีกว่าคนเร็วนะควายถึงแม้ว่ามันจะโง่แต่ความจริงควายมันอาจจะไม่โง่แต่มันพูดภาษาคนไม่ได้มันมีสภาพเหมือนภาบรับธาบรับใช้ที่ไม่มีค่าจ้างก็ยังไม่สายก็ยังไม่ทำให้คนดีที่ก็กลายเป็นคนเข้าใจที่คนเร็วไป ไม่เหมือนกับคนจังไรที่ถือความชั่วของตัวเข้ามาหักล้างความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจา้าที่ผูย้ยานี่ได้มาถูกด่ามตลอดท้านนังสืบท่นานนังสืบด้วยและทั้งสถานีวิทยุด้วยแต่อาตมาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขาด่าใครถ้าด่าอตมาอตมาถือว่าด่าพระพุทธเจา้าอตมาก็จะไม่หนักใจ แล้วพระก็จะเจ้าเวลาท่านถูกด่าท่านว่าอย่างไงเวลาถูกครามดา่าครามหาว่าท่านแพ้ก็ไม่ด่าตอบแต่วพระก็จะเจ้าทรงต่าว่าอาัตมาคตมีความรู้สึกว่าถ้าใครโกรธอาตมาแล้วก็ด่าอาตมาถ้าอาตมาไมด่าตอบอาตมาถือว่าอาตมาเลวกว่าบุคคลนั้นนี่เป็นน้ำว่าทุกคนเราถ้าจะมองตามความเป็นจริงในหลักพระพุทธศาสนา เรื่กายมรรลุมาผลย่อมไม่เหมือนกันแต่เหมือนเหมือนที่ตกายกิเลสแต่จจริยาที่ถึงกายมรรลุ ก, ก็เหมือนคนกินอาหารจะให้ปฏิยมกินรับอย่างเดียวกันเนือาหารอย่างเดียวกันมันไม่ได้เขาจะกินยังไงมันก็อิ่มอันนี้ก็จะดีถมไปเวลานี้เนี่ยมีเยอะแยะจะมารู้สึกยิ้มยิ้มในใจว่าเธอจะยังไงก็ช่างเถอะฉันแก่แล้วไม่ช้าฉันก็ตาย ยังไงไงก็ตายฉันไม่ไปก็เธอรบไอเอเวจีแล้วโหะกลมพีนะหรือว่าน ห, หรือว่าอะไรล่ะอ่าเดือมนรกอีกส์กลมใหญ่ซะ ด, ด้วยที่โลกันตารนรคอเวจีแล้วโลกันตารนรค ก, ก็ไม่ขอไปด้วยนั่นจะไปก็เชิญไปตามทยาิยาสายม่คุยกันตามตัวแต่ไปนึกกะว่าอ่ นี่เป็นมุมหนึ่งของนรกที่ใครๆก็สามารถจะเห็นได้ถ้าบวชเพื่อความเป็นพระแต่ว่าถ้าเอาบวชกันเพื่อแสวงหาความรู้เป็นอาชีพหรือว่าเพื่อยะถาบรรดาศักดิ์หรือว่าลาบผลเพื่อเป็นเหยื่อล่อสตรีที่เห็นว่าดีงามถ้าเราตามท่านไปตามท่านจะคุณอมนี้ก่อนแล้วกัน ถ้าบอนแล้วปฏิบัติตามพระคำปฏิญาณที่ให้ไว้เมื่อวันบวชว่านิพพานะจักสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังเริตวาปปาเคธมังพันติเขียนตัวหนังสืออาเจพาฟังไปบ้างก็สั่งมันแล้วว่าท่านหลายข้าไปเจาะอรับผากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ่มสมนิพันธ์ เป็นนั้นว่าเมื่อก่อนนี้เวลาจะบวชก็ใช้คําปริยาณตนแบบนี้เวลานี้เขาเลิกไปซะแล้วเพราะอะไรก็คืว่านิพานไม่มีนิพานไม่ดีแล้วเวลาบวชก่อนจะบวชจนจะภาวนาเป็นบัท่านอุปัชฌาย์ก็สอนจากบรรยากาศกรรมฐานที่เราเรียกกันว่ากายคตาโนสติกรรมฐานแต่อยากจะทราบว่าพอบวชเข้ามาแล้วนะใครปฏิบัติกันบ้างนี่ เวลาบวชปฏิญาณไม่อย่างหนงึ่งศึกษาในวันบวชนั่นเองสอนกันอุปชาสอนกับตายแต่สงสัยเหมือนกันนะอุปชา บ, บางองค์ทำเหมือนฝ่าก็าไม่ทราบเที่ยวว่าก็ไปตามแบบอุปชาเวลานี้ต้องสอบกันทําอะไรตัวอะไรกันแต่ว่าสอบอะไรมาเขาไม่ทราบสอบความเป็นอุปชาแล้วก็สอบหรือว่าสอบวิชาหากินกันแน่ อุปชาจริงๆสมัยก่อนเขาต้อควบคุมพระอว่ากัปดีกวา่าเมื่อพูดเรื่องนี้ก็พูดให้มันชื่นใจเพราะว่าโดนอรารัชีเล่นงานมามากที่สามารถตรงตุนมันได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จอ้าวเกือบจะห้าสิบเป็ น, ปนายอยู่แล้วก็ยังดีที่อรารัชีไม่กระทรือดตายเวลานี้ไม่ยอมอรารัชีกระเทรอกนะจะเป็นอรารัชีอันดับไหนก็ตาม ไม่ยอมให้กระทืบแน่นอนแล้วเพราะว่ามีกำลังประมาณทักสามแสนเวลานี้มีกำลังที่เป็นกำลังเองจริงๆประมาณทีสามแสนเสษแต่ว่าถ้าไปสองสามเดือนเกือเดือนตุลาคมนี่มันจะเลยกว่านั้นไปอีกตุลาคมสิบัสิบสองไอ้กาลังนี่ไม่ใช่กำลังอันทานกาลังที่คนเห็นความดีของพระพุทธศาสนา หากว่าพระอรัชชีเห็นว่าไม่คนจะร่วมก็จะขอแยกในกายออกมาเป็นพุทธนิกายนี่เราว่ากันเฉพาะอรัชชีนะแต่พระที่มีความดีทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาอย่าเข้ามายุ่งนะอย่านึกว่ า, ว, าว่าท่านถ้าท่านองค์ไหนคิดว่าว่าท่านขอบรรดาญาโยนทั้งหลายจงทราบว่าพระองค์นั้นคืออรัชชี เขาก็ว่าอารชีคนน่าด้านที่ไม่มีความอายทำลายพุทธศาสนาคนดีก็อย่ายุ่งสินอนเฉยๆสบายๆใจดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านทูนดาทูว่าทูเดนทาที่าอะไรใครเนี่ยทำไมก็ไม่เคยว่าอะไรใค ร, ค ว, ร, ใครว่าจะบอกให้เราฝังว่าอารัชีอย่ายุ่งเวลานี้มืก่อนมองดูว่าใครจะเป็นคนดีมั่งใครจะเป็นอารชีมามองมานาน เวลานี้เข้าใจดีแล้วว่าใครเป็นใครบางความจริงดนศาสนานี่ควรอย่าสังขยันนายก็ทีเดียวใครสังขยนาคนอย่าสังข ย, ย, ย, ย, ยนาตัวโนสือดูว่าถ้าไม่ดีก็เอาไปหิไปใช้หมดมันรกวัดรกสถานที่เปลืองข้าวชาวบ้านทําให้ชาติจะต้องสลายตัวไปด้วยถ้าทางด้านศาสนาไม่ดีทาให้คนแตกความสามัคคี อินเดียเนี่ยต้องเป็นเทศเป็นท่าเขาก็เรื่องศาสนาคนในศาสนาไม่ดีเวลานี้พวเราก็เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มมานานแล้วแบ่งคนเอาเป็นก๊กเป็นเหล่าเพราะเรื่องศาสนาเริ่มแล้วนะคนที่จะมองมองกันมองไว้ไปบ้างคุยกันต่อไปเป็นว่าท่านที่บวชเพื่อเข้าพรนิพพานทุกองนะ ถ้าท่านที่บวช จ, จริงๆเลยก็บวชเพื่อหวังจะเข้าิมรรคผลเรื่องเห็นรกเจ้าแบบฉบับของเจ้าเด็กนี่เป็นศูนยมันก็ไม่ไม่ยากอะไรเลยเนะีเอาเด็กนะอาจารยมานี่ไม่เขาไม่คิดพูดปฏิวัติเวลานี้แนวเสืนี่พูดปฏิวัตาเมื่อเป็นเด็กอายุที่สองปีและคุณยายหลังจะทราบเกียรติยศคือความดีเด่น ระดับอเวจีของเจ้าท่านใหญคุณมหานรกแล้วต่อจากนั้นท่านยายก็พยายามหาแต่พระที่คนรโบชาเท่านั้นมี่โบชาและปฏิโบชังกนะารโบชาบุาคคลนี้คนรโบชาเองตามังกรตามังนะเป็นรวมเอุดมมงคลคนที่เป็นนักดูพระก็คือเจ้าเล็กคนดินตายนั่นเอง เมื่อท่านยายเดชสาจะหาพระมาเทศเจ้าเล็กก็ต้องไปหาตาลงท่านลวงนะท่านลงก็ชี้พระพอที่จะพบได้ในสมัยนั้นอยู่ไม่ไกลคลืนไปก็คืนหนึ่งท่านอยท่านพระครูพิทักษสุวรมนมนรรพตคณะสิบเอ็ดวสเกตจังหวัดพรนครท่านอาจารย์พิงวัดมะกอบจังหวัดพนครหลงพ่อสพวัดป่าน้าภาษีเจริญ หลวงพ่อปา น, นวัดบานอังควอมอำเภอเสนาจังหวัดพระนครสิทธยาหลวงพ่อปานวัดทีคุณอำเภอบางบานจังหวัดพระนครสิทธยาหลวงพ่อสุนเมบางประหมออำเภอบางบานจังหวัดพระนครสิทธยาหลวงพ่อหนองวิเคราะบันดันอำเภอสอามน้องจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านลวงบอกว่ามีมาก ที่เป็นพระอริยะก็มีเป็นพระโพธิสัต์ก็มีที่บอกคนแล้วนั้นมีทั้งพระอริยะแล้วก็เป็นทั้พระโพธิสัตว์้วยทาบุญได้ผลมากกว่าการลงทุนบางท่านเวลานั้นก็เป็นเด็กเล็กแต่ท่านบอกว่าต่อไปจะเป็นพระดีแต่ให้หาท่านที่มีเป็นพระดีเวลานั้นเป็นพระแล้วที่ยังไม่พระท่านก็บอกไว้ด้วยนะว่าคนนั้นคนนี้ต่อไปเป็นพระก็เป็นพระดี อย่างหลวงพ่อวัดแตกน้ําบางสีจเจเิยนี่รู้สึกจะเป็นเด็กเกิดสมัยนั้นถ้านบอกไว้ก่อนอ่าท่านยายเคยรู้จักหลวงพ่อปานมาก่อนนะเมื่อเห็นว่าหลวงพ่อติดอันดับติดบัญชีพระดีก็เลยไม่ไปไหนก็รู้ว่าปานเจ้าเขใกล้เฮ้ยยิด ค, ค, ความรู้ที่หลวงพ่อปานสอนแบบง่ายๆท่านภาวนาว่าพุทโธ เวลาที่ท่นานจะตายท่านภาวนาไปภาวนาไปพอสิ้นเสียงคำพุทโธก็สิ้นลมดานคือเพ่อขาดเสียงท่านหมดลมหมดลมพอดีตอนจะตายถามว่าคุณยายเห็นอะไรก็รับท่านตอาไปเห็นพระพุทธถามท่านว่าสวยไหมครับท่านบอกว่าสวยมากและท่านกบอกว่าพระท่านสวยมากกันทุกทีทุกทีในที่สุดลมลมพ่อ หลวงพ่อองค์ยิ้มหลวงพ่อองค์นี้ทำไมเห็นองค์ยิ้มท่านก็มาเวลาที่ใกล้ท่านจะใกล้ยะสิ้นหลมปรานเต็มทีหลวงพ่อองค์ยิ้มมาแต่ท่านก็มีสติดีมากท่านยิม้ม ท, ทั้งที่ปากก็ว่าพุทโธท่านบอกว่าพ่อเล็กหลวงพ่อองค์ยิ้มของหลานมาหายายแล้วเสียงแทงเกือบจะไม่มีแล้วแผ่วเต็มที แปลว่าคนนั่งไกลรัศมสองวันได้ยินถนัดยังไม่เรียนถามนาะว่าคุณยายเขารับคุณยายยายจะไปไหนเขารับคุณยายตอบอกว่าท่านบอกว่าท่านออท่านบอกว่าท่านจะพาไปไหนท่านก็พาไปได้แล้วกับเรียนน้ว่าถ้าคุณยายยากจะไปไหนนะหลวงพ่อองค์ยิน้เนี่ยท่านพาไปได้ทุกแห่ง ท่านชายยิ้มส่งในสมัยผมจะไปนรกต้องท่านชายยิ้มส่งคนยายก็บอกว่ายายไม่ใหย่จะเกิดยายเบื่อการเกิดด้วยเกินหลานเออถามว่านี่ได้เรียนถามว่าถ่าไว่อะไรตอนนี้เนะี่ยท่านเบื่อเกิดถามถามว่าท่านว่าอย่างไรครับตอนนั้นฟังไม่ถนัดท่านกยบอกว่าท่านก็บอกว่าฟัาาาาเล็ก เดี๋ยวก่อนนะจะพาพบนทัดท่านบอกว่าอท่านคุณยายบอกว่าท่านหลวงพ่อยิ้มท่านบอกว่าจะเอาไปพักไว้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอ๋อตอนนี้ฟังดีนะเมื่อถามคุณยายว่าคุณยายอยากจะไปไหนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยิ้มท่านพาไปได้เสมอแล้วเรียนถามว่าคุณยายไนดะ้อยากจะไปอยากจะไปไหนก็รับคุณยายก็บอกว่า ท่านอ่าท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดมาครั้เนี้ยท่านเบื่อมากจริงๆถ้าจะยินหลวงพ่อปานบอกว่ า, า, วาเกิดเป็นคนก็ลําบากอีกเกิดเป็นเทวดาแล้วพรมก็ลําบากอีกหมดหมดวัฒนนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนแต่ ว, ว่าคุณยายเนะี่ยท่านไม่อยากกลับมาเกิดอ่าก็ลเลยเกิดเป็นเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณยายก็เกิดเป็นหลวงพ่อองค์ยิ่งก็แล้วกัน่นควาร<อ>ับ ถ้าท่านรับได้ยังไงคุณยายบอกกับผมด้วยแต่จะถามว่าเวลานั้นที่พูดกับคุณยายคือน้ำพ่อองค์ยิ้มไหมก็ต้องกราบเรียนล้วเรียนกับท่านโพลับฟังว่าปกติเห็นท่านสวยจริงๆวันนั้นท่านมาสวยอร่ามแนละ้วก็ยิ้มสวยยิ้มในนอ ย, ยิ้มแบบมากๆนะยิ้มนะมาเชียร์เป็ น, นแล้แววคุณยายบอกว่า เมื่อยายบอกนะท่านยิม้มท่านยิ้มแล้วท่านก็ตรัสท่านก็บอกว่าเอาญิางกันมาเอาอยาิ้กันแล้วกัน ม, มาหาบาซิกาอาเจตถาคตจะพาเธอไปในที่ที่อันหนึ่งเป็นแดนที่มีความสุขไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วต่อไปก็จะสบายมากท่านยายจะน่เรียกว่าคนเล็กคนเล็ก คุณยายหน่อยเขาบอกว่าเากราบเรียนท่านเมื่อเวลานั้นตาท่านพระมองไม่เห็นแล้วแหะไม่ใกล้จะตายเออกราบเรียนว่าคุณยายคอรับผมนั่งอยู่ติดคุณยายนีนเองท่านบอกเออดีแล้วลูกถ้าไม่หลีกหลานนี่ลูกดีแล้วลูกช่วยจวดทูบให้ยายห้าดอกนะแล้วก็ดอกบัวมาห้านดอกว่าดอกบัวนี่ธราโอติท่านมีเป็นประจำ มีเยอะแค่น้ำใบแล้วเก็บเทียนใหยายด้วยนะยายจะไปไหว้พระจุลามณีเฮ้เวลานี้นาะยยายเห็นที่อยู่คนยายแล้วนะรวมพ่อเอายิ้มท่านชี้ให้ดูแล้วว่าถามว่าสวยไหมครับคุณยายเพราสวยเลยเกินถามว่าคุณยายครับบ้านของคนยายที่อยู่คนยายอยู่ตรงไหนครับ หนึ่งจุดใกล้ที่จุดคือภูมเทวดาท่านบอกว่าไม่ใช่ไกลไปนิดหนึง่งลุคเทวดาท่านบอกว่าไม่ใช่ไกลไปหน่อยหนึ่งอากาศเสวะเตวเดวดาคือจารุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นโลสิตชั้นนิมารดีชั้นปรนิมิตวสวัสตดีแต่ก็บอกหกชั้นยายก็เห็นไม่ใช่เราหลานไม่ใช่ บ้านยายเลยเกินกว่านั้นถามว่าพรหมสิบหกชั้นใช่มไหยครับท่านก็บอกว่าไม่ใช่อารูปกระพรมใช่ไหมครับท่านบอกครูอารูปกระพ ร, ร, ระมเบื้องว่างย้ายไม่อยู่ล็อกไม่มีบ้านถามบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก็บอกว่าพระทำไมไม่บอกลูกพรถ้าไม่บอกว่าที่ตรงนี้ไปแล้วจะไม่กลับแม้สวยจริงๆสวยจริงๆนะลูกนะบ้านยายสวย นี่บ้านบ้านพอให้กขาสวยนะลูกนะลูกเห็นบ้านลูกไหมก็เลยบอกเห็นครับแล้ เ, เวลานี้พอเล็กเห็นไหมบรรยายตอนนั้นอาจะมายังเป็นเด็กนะตอนนั้นนะยังไม่เป็นปิญญาตอนแรกไม่เคยเห็นก็นเลยถามพระท่านว่าจะเห็นได้ไหมท่านบอกเห็นได้เพราะท่านบอกเห็นได้เราเห็นจริงจริงแหมไม่ไหวเลยสวยมองดูได้แสนแสบตา เปน็นไสาตาแสงจ้าข้าหลกตาสวยมากน่ารักเอาเป็นอันว่าคุณยายให้จุดพูปจุดเทียนท่านบอกว่าท่านจะไปไหว้พระจุลามณียายเห็นบ้านยายแล้วทำไมอย่างนั้นท่านชี้ให้ดูเมื่อจุดธูปเสร็จท่านก็บอกให้ทราบท่านบอกว่าอาท่านขอลาทุกคนะอะไรที่ร่วงเกินกันให้ต่างคนต่างให้อภัยกัน แล้วถทว่าพุโทธโทธพุทโธพุทโธไปจนสิ้นลมฟราณเมื่อคุณยายตายก็เลยถือโอกาสไปส่งท่านหลวงไปหาท่านหลวงไม่ไม่จะส่งเมื่อคุณยายตายแล้วก็ย่องไปหาท่านหลวงตามใจเมื่อพบแล้วทันว่าคุณยายไปอยู่ที่ไหนท่านลูกว่าอยู่ดาวดงเอ๊ะแล้วคุณยายไม่ได้อยู่ดาวดงครับไปเลยไ ป, ไปถามว่าท่านยายเกิดอีกไหม ลุงบอกว่ า, วาก็บาราวีเขาดีเขาจะไปนิพพานอ่าเขาดีเขาเขาจะนิพพานเขานิพพ า, านไปสวรรค์ฉันฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องในฐานะว่าว่าคุณยายท่านบอกว่าท่านจะไปอยู่ที่ไม่เกิดแล้วทําไมอยู่ที่ราวดึงท่านลุงบอกว่าห น, นูหลานเวลานี้หลานถามว่าเวลานี้คุณยายอยู่ที่ไหน ก็เวลานี้คุณยายยังไหวพระจุลาวณีอยู่ที่ดาวดึงแค่ลุงต่อไปอยังไงล่ะได้ว่าท่านถามต่อไปแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นอยู่ดาวดึงชั่วคราวและคุณยายก็ไปที่ไม่กลับมาเกิดคือพระนิพานถ้าถามท่านลุงว่าแล้วลุงเห็นนิพานมาบอกลุงเห็นท้าวลุงเห็นได้ยังไงพระท่านบอกลุงเป็นนาคามียนะ ที่แต่ไม่ก็เลยไม่รู้อ น, นาคามีใครเขาค้ากันอยู่ตอนไหนก็ไม่ทราบแล้วไม่รู้เคขาค้ากันยังไงพระนอบรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านแจกค้าหรือไม่ค้าก็ตามใจเวลาหมดแล้ ว, วก็ต้องคากันอยู่แค่นี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนข อ, ขอบคุณบรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทที่อดทนใจรับฟังนัสพูดมบ่าวบ่าว วันนี้ขอลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกทุกท่านโทุกท่านรับฟังสวัสดี